สอบเข้าหมาเท่าไรแต่ว่าไม่มีเงินเลยเงินไม่พอใช้ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าจับนกพิราบนะนกพิราบนี่แถววุท ธ, ธั์แถวเสาคิงชานี่มันเยอะมากนะเป็นร้อยเลยจับนกพิราบเอาไปขายนะ ตัวละ2ี่สิบาทตัวละยี่สิบ้าบาทนี่ได้ทักส1บตัวนี้ก็200รกว่าบาทก็พอจะเป็นค่าเราเรียนได้แนีวแกก็จับได้สำเร็จนะกว่าจะเสร็จก็ประมาณเย็นก็จับนกเนี่ยไว้ในกระสอบเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะเอานกไปขาย แต่พอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าในกระสอบเนี่ยมันว่างเปล่าไม่มีนกสักตัวเหลือเลยนะแต่มีเงินนะอยู่ข้างในประมาณห้าร้อยบาทงงก็งงนะแต่ก็ดีใจด้วยว่าเราได้เงินแล้วนะก็เลยเอาเงินนั่นแหละนะไปไปสมัครเรียนหมายหมามหาเทเล เป็นค่าเ่าเรียนสมัยก่อนมันคงจะไม่ได้สอบอยากเหมือนสมัยนี้นะก็เรียนจนจบนะแล้วต่อหลังก็ไปรับราชการตัวเป็นเด็กที่เป็นคนที่มีความตั้งใจอุตสาหะก็ประสบความสาเร็จในชีวิตราชการผ่านไปหลายปีเป็น10ปี20ปีก็เป็นข้าราชการชั้นสูง ดูมันจะเป็นผู้ว่าดีมั้งแล้ววันหนึ่งก็นึกถึงวัดที่ตัวเองเนี่ยเคยมาอาศัยข้าวกล่นบาตอาศัยที่พักแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อหลวงตาหลายรูปนะที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเอาไว้ก็เลยไปเยี่ยมกลับไปเยี่ยมที่วัดสุทัศน์นะแต่ก็ยังมีเรื่องค้างใจนะที่ยังติดใจอยู่นะก็คือเรื่องที่ว่า กรสอบนี่แหละก็สอบที่ใส่นกเนี่ยมันนกมันหายไปไหนใครเอาเงินมาใส่ไว้แทนห้าร้อยบาทก็พยายามสอบถามสุดท้ายก็ได้คําตอบนะไป็หลวงพ่อองค์หนึ่งนะตอนนั้นท่านก็ฉลาแล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยนะเป็นคนปล่อยนกเองนะแล้วก็เอาเงินใส่เข้าไปแทนท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากจะเห็น แกเนี่ยทำบาปนะเป็นคนดีไม่อยากจะเห็นแกทำบาปเอานกไปขายนี่มันบาปมากนะนกวัดด้วยนะก็อยากจะให้นะไม่มีตาบาปก็เลยปล่อยนกไปหมดแล้วก็ก็รู้ว่าแกเนี่ยคงเดือดร้อนเงินนะก็เลยเอาเงินใส่เข้าไปเพราะคิดว่าไงแกคงไม่เอาเงินไปเที่ยวเล่นแน่ๆก็เลยรู้ความจริงนะว่าอ๋อหลวงพ่อองค์นี้นั่นเองนะ แต่หลวงพ่อท่านไม่เคยพูดไม่เคยบอกเลยนะเป็นความลับมาตลอดอันนี้ในแง่นึงก็แสดงเห็นว่าท่านนี้ก็เป็นคนที่ทำความดีแล้วก็ไม่ต้องการเปิดเผยแต่ว่าถ้าเราดูให้ดีเนี่ยอันนี้ก็มันแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่แค่คุณธรรมนะที่เป็นความเมตตาของท่านเท่านั้นนะแต่แสดงเห็นถึงปัญญาด้วย คือท่านมีอุบายนะในการช่วยเด็กหนุ่มคนนี้ถ้าเรานึกภาพเนี่ยเราเห็นเกิดเราเป็นพระาขึ้นมาแล้ว เ, เห็นเด็กว่าเนี่ยเอานกพิ่าบนี่มาขังไว้ในกระสอบเพื่อไปขายเนี่ยมันเป็นบาปแท้ๆนะเราคงจะไม่ปล่อยไว้นะก็คงจะตามหาว่าใครทำนะแล้วก็อาจจะต่อว่า หรืออาจจะไล่ออกจากวัดไปเลยแต่ว่าหลวงพ่อนี่ท่านไม่ทำแบบนั้นท่านรู้ว่าคืนทำแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะถึงแมาจะไม่ไล่เด็กวัดออกไปจากวัดนะแต่ว่าเด็กไว้ก็คงละอายอายต้องหนีหนีไปเองนะเพราะว่ามีคนรู้ความความชั่วของตัวแล้วนะท่านก็มีอุบายนะที่จะไม่ทำให้เด็กมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะเห็นแววว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดี ก็เลยไม่ไม่แสดงตัวเด็กก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยที่รู้ความลับของตัวถ้าเกิดรู้ก็คงจะละอายนะก็ทำให้เด็กนี่ก็ยังอยู่วัดต่อไปแล้วก็กลับเนื่อกับตัวเป็นคนดีนะเพราะรู้ว่ามีคนที่รู้ความลับของตัวแล้วนี่แต่ก็ไม่มาทำให้ขายหน้านะก็แสดงความเมตตา อุบายแบบนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ น, ะน่าเรียนรู้นะเพราะว่าการช่วยคนเนี่ยเวลาเราเห็นใครทำผิดเนี่ยมันต้องมีปัญญาในการที่จะแนะนำเขาตักเตือนเขานะเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยนะเกิดความละอายจนถึงขั้นว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วนะ หงพ่อไเป็นคนฉลาดลพระอจาจังนั้นก็ซาบซึ้งในในบุญคุณของหลวงพ่อมากแล้วก็นับถือมากว่าเนี่ยท่านช่วยมาแต่ท่านไม่เคยเปิดเผยตัวเก็บเอาไว้ตลอดนะไม่เคยแพ่งพรายถ้าแพ่งพรายนี่ก็เสียชื่อ น, นะเพราะว่าเด็กวันนี่จับโลกในวัดไปขายนี่มันมันแย่มากท่านก็ไม่พูดเนะพราะท่านรู้ว่าพูดไปเดี๋ยวเด็กคนนี้คงจะ เสพผู้เสียคนหรือว่าไม่มีทางกลับตัวได้าการช่วยคนเนี่ยนะนอกจากจะต้องอาศัยเมตตาแล้วต้องอาศัยปัญญาด้วยนะถ้าไม่มีปัญญานี่การช่วยก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาหรือว่าถ้าไม่มีความอดทนมั่นคงหนักแน่นก็จะมีความโกรธนะโกรธเด็กคนนี้นะว่ามันมันทำชั่วนะเด็กว่นนี่มาเอานกไปขายนี่แย่มาก เกิดความโกรธขึ้นมาก็คงจะทําทอะไรที่ทําให้เด็กคนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีเชี้อิงตัวนะแต่นี่เด็กคนนี้เขาก็สํานึกผิดได้เพราะว่าเขารู้ว่ามีคนรู้ก็จริงแต่ไมันว่าเป็นใครนะก็สามารถจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีจนกระทั่งกลายเป็นข้าราชการระดับสูงการช่วยคนนี่มันต้องต้องมีจิตวิทยาด้วย นะเข้าใจจิตวิทยาของคนที่เราต้องการช่วยช่วยอย่างไรนะไม่ให้เขาเกิดความอับอายหรือว่าพูดอย่างไรทําอย่างไรไม่ให้เขารู้สึกจนเสียผู้เสียคนไปนะเรื่องจิตวิทยาของคนที่เราต้องการช่วยนี่สาคัญมากไม่งั้นก็ไม่ประสบความสาเร็จมีเรื่องเล่านะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับนัสรุดิน วันนึนัสโรดินเนี่ยก็ไปเห็นคนกําลังจมน้ําเป็นเป็นพ่อค้านะพ่อค้านี่ร่ํารวยมากนะแต่ว่าค่อนข้างจะตันหนีถีนียวผู้คนเห็นพ่อค้าคนนี้จมน้ําก็พยายามที่จะไปช่วยนะหลายคนก็พูดเหมือนกันนะว่ายื่นมือมายื่นมือมาแต่ว่าพ่อค้าคนนี้ไม่ยอมยื่นเลยนะ ตัวเองก็กำลังจะตายเลยแต่ไม่ยอมยื่นมือมานัสโลดินรู้นะว่าเป็นพ่ออะไรนัตสโลดินก็ไปไปช่วยแล้วก็บอกว่าแทนที่จะบอกว่ายื่นมือมาแกบอกว่าคว้ามือฉันสีคว้ามือฉันสีบประกวดหมอนั่นคว้าเลยนะแล้วก็นัรสรุดินก็เลยช่วยพ่อค่าคนนั้นได้คนก็แปลกใจทําทไมนัสโลดินช่วยได้สำเร็จนะคนอื่นช่วยไม่สําเร็จนัสโลดินก็บอกว่าเนี่ยพ่อค่าคนนี้เนี่ยมันเป็นคนงกเป็นคนตันหนี มันคิดแต่จะเอามันไม่เคยให้นะจะไปขอให้มันยื่นมือมามันไม่ยื่นหรอกนะแต่ว่าถ้าให้คว้าเดี๋ยวมันคว้านะเนี่ยคนเราจะตายมันก็ยังมีนิสัยกินเล็ดไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่พูดเมื่อวานนะจะตายแล้วยังกินเหล็มันก็ยังครองใจอยู่นะความโลภมันมีนะมันไม่เคยให้ใครมันมีแต่จะคว้าเอาเข้าตัวนัสุรดินฉลาดนะเข้าใจจิตวิทยาของพ่อค้าคนนี้ก็เลยพูดว่าเนี่ยคว้ามือฉันเสกคว้ามือฉันเสกนะ อันนี้ก็เล่าไว้เป็นเกล็ดนะอ่าเต็มรับพร